แต่อัลฮัมดุลิลละห์เราตื่นนอนขึ้นมาตอนกลางคื น, นดองอัติจะต้องอ่านบนที่นอนเป็นการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยอัลฮัมดุลิลละหิลลัลลิอัพยานะบัดมะอามาจานาวายไลหินูชูทุกคนต้องอ่านนะครับมันก็ต้องศาสนาเนี่ยต้องเรียนทุกคนเนี่ยนะ พุณน้องครับการขอบคุณอัลลอ์เนี่ยทำให้เาเรียกนั้นทาให้โรคเครียดหายไปนึกถึงอัลลอ์เยอะๆเนี่ยโรคเครียดหายกูอาญญา่านอะไยางไนอลาบิซิคริลลาฮิตาตมาอินนุนลกลูกูจึงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอ์นะครับอัลลอฮ์ทำให้หัวใจเนี่ยสงบหัวใจสงบแล้ว อย่างอื่นมันก็ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปค่อยๆหายนี่อิสลามสอนสอนดีนะ่ะแต่เราเข้าใจนะเราก็นํำมามาใชา้ในชีวิตประจําวันของเรานึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่นึกตอนตอนนมาดอย่างเดียวนะ่ะไอ้นายนมาดเนี่ยมันเห็นภาพนะ่ะทุกคนกํบบลาลังสู้ยุ่งกันอยู่กํบบลาลังรูกก้กบบลัวกําลังนั่งอาตายามันเห็นภาพเราก็ต้องก่อนนึก แต่นี่ที่อัลลอฮ์เป็นห่วงคือหลังจากเนี่ยหลังจากออกจากมัสยิดไปแล้วเนี่ยคุณอา่านเลยเน้นมางะรซาปุดียติศวาแลเมื่อท่านนับมาศเสร็จแล้วเนี่ยฟันตัชิรูฟิลอารดิท่าทั้งหลายจงแยกย้ายกันไปอยู่บ น, น้าแผ่นดินวาสกูลลอฮากัซีรอให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆทำไมสั่ง อยู่ใ น, id, ในมัสยิดทำไมจะสั่งนึกถึงอัลลอฮ์เพราะว่าสิ่งนอลลอมันให้ยึงไปอยู่ที่มะกากำมัดีนาอัลลอฮ์ขาพคนเป็นละล้านคนอยู่ในมัสยิดหมดเลยแต่ที่อัลลอฮ์เป็นห่วงคือว่าหลังจากออกจากมัสยิดไปแล้วตรงนี้ตั้งหากแหละออกจากมัสยิดไปแล้วเนี่ยตอนนี้หลายคนพูดว่าอืมนมาดแล้วเมื่อกี้นี่ออกไปข้างนอกก็ดาก่ากันนั่นทะเลกกาะกับคนนี้อ๋อไม่นะ สูบบุหรี่เนี่ก็กิสลามไม่สอนอนะ่ะบอกให้เลิกให้หมดนะ่ะเมกถึงตะยอดเลมนั่งอยู่ตรงนี้เรียกผมมาเฮ้ยเลิกบุหรี่แล้วนะ เ, เลิกทำไมต่ยอดก็ไปขอทูอาทีมักกะจากนั้นการสูบบุหรี่ในอิสลามนี่ก็บอกให้เลิกให้หมดอนะ่ะทำลายสุขภาพตัวเองใช่ไหมแต่ฝรั่งวัสูบไปหเหอะครูขายเอง <c oughs> เอาไปนอก็วันนี้ขอบคุณละนลรน่ะที่เราได้มาทวน ก, กุณอ่านคือกุรอ า, รานนี่ทุกอาย่นี่มีความหมายหมดเลยนะแล้วก็มันเตือนเรานะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับเรามาถึงอายาที่จะไหลนะอายาที่ส0มสบสองเราขออ่านทวนนิดหนึ่งกันครับว่ามินอายาติฮิอัลจาวาริฟิลบหริ กัลอาลามยาวาดนี่แปลว่าเรือหรือว่านาวาเป็นพระพุทธด้วยนะเรือหลายลำหรือนาวาหลายลำฟิ่นบาริในมหาสมุทรในท้องทะเลกัลอาลามเรือเนี่ยมันใหญ่เยี่ยงภูเขาเหมือนภูเขาเนี่ย ล, ล้อเล่าให้ฟังให้มนุษย์ เรือเี่อัลลอฮ์สร้างอาจจะว่าผ่านมนุษย์เนี่ยผ่านคนนี้คนนี้ให้สติปัญญาคนนี้สร้างเรือสร้างเรือสร้างเรือสร้างเรือทีนี้พออยู่ในเรือแล้วเนี่ยบางคนก็นึกถึงอัลลอฮ์มีไหมมีบางคนนมาดในเรือมีไหมมีบางคนก็ใช้เรือเป็นที่ท้ามจีนาก็มีนี่เตือนนะเตือนสติเตือนพวกเราฉะนั้นวามินอายาติฮี ส่วนหนึ่งแห่งสัญญาณทั้งหลายของอัลลอ์ก็คือเรือหรือนาวานะครับทั้งหลายที่แล่นอยู่ในมหาสมุทรแล้วก็เรือไม่ใช่เรือเล็กนะเรือใหญ่ๆนะครับเยี่ยงภูเขาเพื่อสอนให้รู้ว่ามนุษย์นี่จะต้องสร้างเรือกันใหญ่โตถามว่ามีเรือไปทำอะไรถ้าว่าสอนเปิดมหาวิเลยในเรือได้ไหมได้ ยังก็มีญี่ปุ่นทําอยู่ประเทศเดียวเอาคนทั่วโลกเนี่ยประเทศละประมาณหลายคนเนี่ยนะเคยมานอนบ้านอามัดเนี่ยไม่ใช่เหรอเรือที่มาจอดจุงเทปใช่ไหมก็ส่งไปอยู่ตามบ้านเนี่ยใช่ไหมที่เป็นมุสลิมก็มีฉะนั้นคราวนี้เอาล้อเล่าให้ฟังนะะท่านคนที่คิดสร้างลรงสร้างเรือนี้ได้ไหมได้ทั้งหมดแต่ตอนนึกทําเพื่อเอาล้อให้หมดนะเอามาต่อมาอายาที่สามสิบสาม إن إيشا إي يسكن الريح فيظلل نروال ا كدا على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إيشا إي يسكن الريح จะยัฟลล์นราวัดะะะะะะะะะะนะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะนะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะง ลมเรียกเรียนี่ยปว่าล ม, มใครดูแลลมอ่ะอยานิสอนอ่ะอัลลอฮเป็นผู้บริหารลมดูแลลมถ้าลมพายุมาก็อัลลอฮฺส่งเองเหมือนกันเนี่ยอย่างลมแบบนี้ลมแบบสบายสบายเ ย, ย็นๆเนี่ยใครให้อ่ะอัลลอฮต้องนึกครับโอ้โหนี่ความสามารถของอัลลอฮและอยู่กลางทะเลก็เหมือนกันอ่ะลมพายุมา อันตรายไหมเรืออันตรายครับก็ถ้าถ้าลมไม่วิ่งเลยถ้าลมไม่มีเลยนะเรือใบก็วิ่งวิ่งไม่ได้อรเาฉะนั้นอัลลอฮฺเตือนอียาชะถ้าหากอัลลอฮฺประสงค์ยุสกินสากนายุสกินูดทาให้หยุดไม่ให้พัดให้นิ่งเฉย สั่งอะไรให้นิ่งเรียะแปลว่าลมอัลลอฮ์เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ะสมจะให้ลมเนี่ยนิ่งเฉยเฉยไม่พัดไปเลยนี่นะเรือวิ่งไม่ได้ถึงยังมีเครื่องยนต์ก็มีไปแต่ว่าจเป็นตัวช่วยเนี่ยอย่างเรือใบเนี่ยอัลลอฮ์ยังใช้ใบกันยังลมช่วยหมดเลยนั่น น, น, น่ะฉะนั้นคนที่เรียนวิชานี้ต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะแต่ว่าอาจารย์มาได้๋ยสอนให้นึกถึงอัลลอฮ์หรอก นึกถึงฉันนี่เยอะๆอทำชีวิต ก, กันเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมแต่คนที่มีาศาสนาเนี่ยเวลาเขาสอนใครเนี่ยเขาจะสอนให้นึกถึงอัลลอ์ก่อนไม่ได้นึกถึงตัวเองก่อนตัวเองก็แค่เป็นบาวคนอย่างกัอัลลอ์ความรู้เทเองได้มาอนะัลลอ์ให้นะไม่ใช่หาเองนะถ้าอัลลอ์ไม่ให้ก็ไม่รู้เหมือนกันอียาชะ ถ้าพระองค์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ยุสกินพระองค์ทรงทาให้อะไรนะอเละแปลว่าลมยุสกินแปลว่าหยุดนิง่งทำได้ไหมได้นี่เล่าให้ฟัง <c oughs> จะตั้งต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆอ่าต่อมาครับเมื่อลมหยุดนิง่งฟยัสลลลนะมันกลายเป็นพอลมไม่วิ่งพับลมหยุดนะ มันกลายเป็นเราว่าคิดแปลว่าลอยนิ่งอยู่อะไรลอยเรือถ้าลมไม่พัดลมนิ่งนิ่งนะครับทำให้เรือที่จอดอยู่กลางทะเลนั้นนิ่งไปไหนไม่ได้ครับเนี่ยร้อนเล่าไว้ฟังอะลาบรีบนผิวน้มของมั น, นรุนไปว่าหลังแต่จริงๆถ้าใช้กับน้มทะเลก็บนผิวน้มของมัน ดันั้นที่เรือวิ่งได้วันนี้เเพราะลมใช่ไหมแต่นี้ถ้าจะให้ลมนิ่งๆเนี่ยเรือนิ่งจอดนิ่งอยู่บนผิวน้ำทะเลเห็นไครับเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังฉะนั้นอย่าอวดดีอย่าอวดีกับอัลลอฮ์นัก็ให้นอมน้อมจบจนเหมือนก็เตือนเราว่าเราติดเดินมาจากบ้านเนี่ยใครให้ครับแรงเนี่ยใครให้อัลลอฮ์ทั้งหมด มาคืนเนี่ยข ใ, ให้แรงมาที่นอนแล้วก็ลุกขึ้นน้่มาทัหยุดได้เดินมามัสยิดได้เนี่ยแรงเหล่านี้อัลลอฮ์ให้อย่าอวดดีว่าฉันเก่งให้อะไรนะให้นอนน้อให้ทอมตนต่ อ, อัอเอาต่อมาครับอินนาฟีดาลิกาอินน่าแปลว่าแท้จริงในนั้นในสัญญาณทะเลเรือนะครับ นาวาลำใหญ่ๆเหมือนกับภูเขาเนี่ยนะที่มันจอดนิ่งอยู่กลางทะเลเมื่อลมลมไม่มีเนี่ยนะละายานี่เป็นสัญญาณทั้งหลายลีกุลลีฟอบบารินทุกทุกคนซอบบาที่มาจากซอบบาสไปว่าไรนะอดทนคนที่อดทน คนที่อดทนก็คือคนที่ใช้ปัญญาไต่ตองต้องอดทนไหมต้องอดทนบางทีมันคิดเรื่องอื่นที่มันสนุกถูงใจคิดเรื่องผู้หญิงเนี่ยคิดเรื่องเงินคิดเรื่องชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศเพลินอ่ะเราว่าเปลี่ยนคิดเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องอะไรเนี่ยลมในทะเลคิดเรื่องนาวาเรือที่มันหยุดนิ่งอยู่กลางทะเลเนี่ยคิดเรื่องนี้บ้างเนี่ยเรียกว่า ใช่เวลาสอบัตรอดทนในการเรียนรู้เรื่องเรือแต่แต่ไรนั้นมันเป็นโนเลชั่นฉบับหนึ่งเป็นวิชาสั์แต่ไรนั้นเป็นวิชาแขนงหนึ่งเนี่ยเอาเอาไปเรียนเลยเพื่อจะได้นึกถึงอัลลอ์นะครับสอบบัตแปล ว, ว่าอดทนในการคุ้นคิดอดทนในการที่ไปแสวงหาความรู้และอีกข้อหนึ่งชุกูรุนชกูกนี้นมาจากชุกรุนแปล ว, ว่าขอบคุณ จะรว่าการอดทนก็เป็นศาสนาใช่ไหมแล้วก็การอะไรนะการขอบคุณอลัลลอฮ์โดยการพูดชมอัลลอฮ์ก็เป็นศาสนารวมไปถึงพูดชมภรรยาพูดชมภรยาที่ดูแลลูกโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วจะแต่งงานโอ้ภรยาเลี้ยงเก่งเราก็เลี้ยงด้วยแหละแต่พูดในภรยาสบายใจอย่างไซนาอุมัดนี่ภรยาบ่นบ้างอะไรบ้างเนี่ย ท่านนั่งนิ่งนิ่งแล้วก็นั่งเงียบเงียบนั่ ง, งยิ้มด้วยไม่ทะเลาะ ก, กับภรรยาเลยเห็นไหมครับเนี่ยที่อลัลลอฮ์เล่าที่ท่านอบีเล่าะห์นี่ยบรดาซอฟบ้าบดุลเลาเก็บประวัติเอาไว้เนี่ยคนดีๆเนี่ยเขาทาตัวยังไงไซนาอุมัดเนี่ยเป็นเป็นอะไรนะเป็นแม่ทัพน่ะชนะานาสงครามมาเกือบหมดเนี่ยโบนิสติแรสลิมกันทั้งทั้งโลกเนี่ยส่วนใหญ่ไซนาอุมัดนะเสร็จแล้วก็ ภรยาบน่นท่านนั่งฟังเฉยยิ้มเพื่อนเพื่อนมาจะมาเข้าเยี่ยมท่านจะจินจะยินภรรยาบน่นก็ไม่กล้าเข้าอ่ะพอภรยาเลิกบ่นก็เข้าไปก็ถามว่าท่านทําไมนั่งยิ้มน่ะท่านแนะนําว่าภรรยาฉันมีความดีสีขอ้อข้อที่หนึ่งอุ้มคานแทนฉันเลี้ยงลูกแทนฉันจัดอาหารให้ฉันทานและจัดเสื้อผ้าให้ฉันใส่ันี่เป็นความดีที่ไซนา อ, อมัสเล่าให้ชาวโลกฟัง แล้ววันนี้คนทั้งโลกก็ยอมรับกันหมดแล้วเคยกล่าวขอบคุณไหมหกับด่าไซนาวมันคายดาปุชิอ่าง อ, อย่างนี้เป็นต้นน ะ, ะแต่แค่นี้พอตกลงว่าอายานี้อลัลลอฮ์เตือนน ะ, ะเตือนว่าไงนะให้เราเนี่ยนึกถึงสัญญาณของอัลลอห์เรือลมอากาศทะเลของอลัลลอ์หมดเลยครับต่อมา เอาอยู่บ <t> ิขุนนบีมะกะซาบุวายะฟุอังกะซีร์เอาอยู่บิขุนนบีมะกะซาบุวายะฟุอังกะซีร์ในทัศน์ศีร์นะเนียทศเสียอธิบายอย่างนี้น คนเนี่ยเวลาได้รับเนี่ยหมัดจากอัลลอฮ์เนี่ยหลายคนนะส่วนใหญ่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นี่อย่างอย่างคนคนในเรือทั้งหมดนี่นะไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์เท่าไหร่แล้วก็มหาสมุทรเนี่ยนะขออัลลอฮ์จะทำลายไหมคนที่ยืนในเรือเนี่ยทําลายไหมมหาสมุทรทะเล ข, ขอร้องอัลลอฮ์แล้วว่ารอก่อนรอก่อนเห <laughs> ็นยังครับ ฉะนั้นนี่ยอามัดที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์เลยก็มีอยู่คนไม่กี่คนที่นั่งอยู่มัสยิดอันเนี่ยนี่ขอบคุณอัลลอฮ์อยู่เพราะเราฟังกันบ่อยๆใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเจ็ดบอร์ซในโลกนี้ไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็เวลามีมีบรละมามีความเดือดร้อนมาโวยวายลงสืพิงไม่เห็นนะด่าคนนั้นต่อยคนนี่ใช่ไหมอย่างที่สภาเนี่ยยังไม่แต่ว่าใครนะ อย่างมีเป็นทนเนี่ยใช่ไหมแทนที่จะนั่งอดทนเฉยๆให้อาภัยขอโทษต่ออรอนั่งเงียบเงียไม่ไววายได้ไหมทําได้แต่ไม่ได้ทำเพราะว่าปัญญาไม่เคยใช่เน่ยไม่เคยอ่านกุณอ่านไม่เคยนึกถึงบรรดาอัศวบานในอดีตเนี่ยเขาทำตัวกันยังไงถึงอลัลรอได้รอที่จะรอฮุันฮุมว่ารอดูอันดูอัลลอฮ์พอใจบรรดาอัศวบานนบีทั้งหมดแล้วพวกเขาก็พอใจในคําสั่งอลัลลอฮ์ถึงได้กล่าวว่าชากูรุน คนคนที่ขอบคุณอัลลอฮฺส บ, บารุนเป็นคนที่อดทนอายุเบกุนนายุเบกุนนาเนี่ยแปลว่ายูเบกเนี่ยในตับเซตอธิบายบาอกว่าอัลลาความพินาศายุเบกุนนาหมายถึงยูเบกูนี่แปลว่าพินาศไหยนะ อะไรหนะิญนาเรือนะครับบีมากาซาบูหรือว่าตัวเองที่ทําอะไรไว้ก็หายหะเหมือนกันเรืออะไรนะไม่อยู่จอดอยู่กัที่ไม่ได้ไปไหนอสินค้าไปได้ไหมไปไม่ได้เน่าไหมเน่าเสียหายไหมเสียหายตามมาเต็มเลยกตเดีอยวเราเล่าบอกว่าเอาอยูบีโกฮูนะหรือพระองค์จะทรงทําให้มัน ห้เรือนั่นพินาตก็ได้ก็มีไม่เรืออะไรที่จมไปท้องทะเลนะเชื่ อ, อะไรนะไทโทนิกไฮไหมมีให้เห็นแล้วมันนี้เป็นต้นแต่อะไรคดีใครเรื่องไปจมนานๆเลยเนี่ยอะไรแตงแต่อะไรนะแตงโมเอา เอาอยูเบียกหุ่นนะหรือพระองค์จะทรงทําให้มันเรือนั้นนะ่ะพินาศหรืออับปางก็ได้แต่อลัลลอฮ์ไม่ทำเพราะอาลัลลอฮ์เมตตามนุษย์เพราะอาลัลลอฮ์ไม่ทําแทนที่จะขอบคุณอลัลลอฮ์ไม่ได้ขอบคุณอลัลลอฮ์เลยไม่เห็นนะ่ะอย่าลืมนะคนถ้าไม่เ อ, เอลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮนะ์ให้เพลินน่ะให้เพลินจริงๆครับแล้วก็ไปรู้ตัว ต, วตอนไหนตอนความตายมาถึงข่อยแบบฟิรูฮุน่ะ ฉันอีมาแล้วว่าอลัลลอฮ์มีจริงนบีมูซาเป็นคนนบีจริงอลัลลอ์รับปะ่ะนี่อลัลลอ์เล่าให้ฟังจากนั้นคนไม่เอาอลัลลอ์เนี่ยอลัลลอ์ให้เมียไปเอาบ้านไปเอาที่ดินไปเอารถไปหลายๆครัคันเลยเอาตำแหน่งไปอะไรไปเต็มไปหมดพอความตายมาถึงก็หอยอลัลลอ์จะขอกลับไปมีชีวิตไปแก้ตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งอลัลลอ์ให้ไหมนี่มาเตือนเราตลอดเวลาเอาต่อมาครับ บีมากาซาบูเนื่องจากความชั่วที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้แต่อัลลอฮ์ไม่ทำนี่เล่าให้ฟังให้มุกมินได้ใช้ปัญญาถามว่าบนเรือมีอะไรบ้างเต็มไปหมดไม่เห็นเหรอกายะอฟวังกาซีวักสุดท้ายเนี่ยดีมากครับยะอฟวแปลว่าอะไรนะอภยัยอัลลอฮฺอักบรอันกาซีแปลว่า เยอะมากอาลัลลอ์ไม่เอาโทษนะไม่ลงโทษทันทีทันใดประวิงเวลาเอาไว้ให้เขาได้แก้ตัวสามสิบปีเองทำชั่วมาสามสิบปีบางคนสี่สิบปีทั้งชีวิตเลยเนี่ยไม่เคยสูอยูอ่ร่ออัลลอฮ์ไม่เคยขอบคุณอลัลลอฮ์ไม่เคยนึกถึงอลัอลลอฮ์อัลลอ์ก็ประวิงเวลาไว้อภัยยโทษให้คุณบางทีก็ไม่เอาโทษเลยก็มี คนที่ทำความผิดอัลลอฮ์ไม่เอาโทษต้องดีใจนะอัลลอฮ์อัก็ว่าถ้ส่วนใหญ่นี่นะคนสมัยก่อนเนี่ยอัลลอ์เอาโทษหมดเลยนะสมัยนี้แต่หากอัลอฮบีขออนุญาตไว้อัลลอฮ์จะอย่าเพิ่งลงโทษคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์อย่าลงไม่เพิ่งลงโทษคนที่ทรยศต่ออัลลอ์อย่าเพิ่งลงโทษคนที่ด่าอัลลอ์ด่ากุลอาด่าทูน่านาบีอย่างใครไอ้ไอ้เพชรทองอะไพวกเนี้ยนี่อัลลอฮ์อลลอ์ยังปกเวลาไว้อ่ะ กับเนื้อกับตัวใจไอ้เอ้ยนะอันนี้แกแตกตรงนี้ก่อนเล็กน้อยกับเอาต่อมาครับตัวหลงวงอัลลอ์เนี่ยอภัยโทษไหมโอ้โหอภัยโทษให้กับมนุษย์เยอะมากกับถ้าคิดบัญชีนะพูกเราก็ตาหมดแล้ว <c oughs> เอาต่อมากับอายาที่สามสิบสี่สามสิบห้า و ยะَ م ม ل ลลา ي ีนัยูจดิลูน افي อ้ ا ยา ا ินะม م ละหุมิมมหิสวยะَลมัลลาฏีนัยดิลูน افي อ้ ا ت า ا ิ ا ะม م ละหุมิมมห อัลลอฮ์อักบัความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์ครับยาลมแปลว่าอัลลอส์ทรงรู้อาเลมอาเลมนะมาจากศัพท์ของอาเลมอัลลอฮ์ยาลมอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอีนะบรรดาผู้ที่ยูจัดิลูนศัพท์คำนี้เนี่ยแปลว่าโตแยงพูดขัดแย้งทะเลาะอ่า คนที่ชอบทะเลาะมีไหมชอบโต้แย้งมีไหมชอบเถียงกันมีไหมมีครับฟีอาญาตินะเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆของเราโลกโลกนี่มุสลิมบอกว่าอัลลอ์สร้างคนกาเฟตว่าเกิดขึ้นมาเองใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็คุยกันเถียงกันอะไรกันนี่เห็นไหม าถามว่าความรวยความจนนี่เอาล้ อ, ลอกำหนดใช่ไหมเอาล้ อ, ลอกำหนดเนี่ยนบีสอนคุณอ่านกระเตือนคนกาเฟันไม่ใช่รวยนี่ฉันทาเองใช่ไหมสุขภาพแข็งแรงเอาล้ อ, ลอให้ว่าเฮ้ย hey, ไม่ใช่กูทำเองอ่ะฉันวิ่งออกกำลังกายคุณหลงรก้าวันหนึ่งตั้งส0 0ร้อยอะไรสามรอบอะไรเงี้ยฉันทาเองอ่ะ ผนึกถึงเรื่องการออกกําลังกายที่สวงหลงหลองกันนะผมไปเดินเดินไปเจอคนอินเดียฮินดูคนหนึ่งอ่ะวิ่งวิ่งอยู่ล้มตาต่อหน้าผมแล้วก็นึกเลยยอลาวนี่ขนาดออกกําลังกายมียังไม่รอดเลยนะแล้วมีพวกอีกสองคนเดินตามมายืนร้องไห้กันแต่ร้องไห้ทำไมเนี่ยเพื่อนตายผมนึกเลยอ่ะ ในขนาดออกกำลังกายนะวิ่งปั๊บปับ ป, บ ป, บ ป, บปบยังลมตายอะ่ะเอาบอให้เราเห็นนะเพื่ออธิบายกรุงอ่านในยานี้ <c oughs> แค่นั้นยาอวดี อ, อัลลอห์อักวัดนั้นเนี่ยกินยารักษาสุขภาพให้แข็งแรงถามประทามเพื่ออะไรถ้าทำเพื่อดุลยาเองขาดทุนนะ แต่ว่าให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อลุกขึ้นมาในมาแต่ห้าหยุดมานั่งฟังตับซีนมาอ่านอัลกุรอานอัลอลอฮ์มาทําอามันที่ซอแล้วอย่างงี้ต่างหากที่ใช่ไหมฉะนั้นคนที่เหนียดมาบ้านอัลลอฮ์มาฟังตับซีนมาอ่านกุรอานมาสิกรุณ์ผละบุญมีหมดเลยนะผละบุญในการขับรถมาก็มีเดินมาก็มีอัลลอฮ์มีผลบุญทางนั้นแล้วก็หน้าตาก็สดใสยัลร้องไห้อะแต่คนมันมองไม่ออกอะ นึกว่าต้องวัตถุวัตถุตรงนู้นต้องออกรู้ต้องทำนู้นไอทำมันก็ทําอยู่แล้วแหละแต่แม่แหละเพื่อสุขภาพตัวเองตัวคนต้องทําหมดแล้วแต่ในใจต้องนึกที่แข็งแรงมานี่เพราะใครเพราะอัลลอฮ์ให้มานะครับไปทำได้เลยแล้ว คือตองการจะบอกว่าเวลาเรือแตกเนี่ยเรือมีปัญหาเดือดร้อนเกิดขึ้นนชอบดลา Allah อ่ามีไหมมีเนี่ยพวกเราเองก็เหมือนกันคนมุสลิมเนี่ยที่มีาศาสนานี่แหละเวลามีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยโทษ Allah ฉันนี่ละมานมากไม่เคยขาดจะทำไมต้องมีปัญหามีเปล่าอย่าพูดครับ แม้แต่น บ, บีมุฮัมมัดเองไม่เคยทำบาปมาซูมไปเผยแผ่ศาสนาที่มังตออีฟยังถูกสามเรื่องใช่ไม่ใช่ถูกไล่ถูกดา่าแล้วก็ถูกขว้างด้วยหินนี่ถ้าน้าน บ, บีไม่ทำแบบวแัแล้วก็ต้องดา่าใช่ไหมโอ้โหนี่ทำงานศาสนามาคนนั้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นตำนี้ยังจนอีกอมีปัญหาเดอรอนบ้านหลังเล็กบ้างอะไรบ้ามีตำนี้อัลลอฮ์หมดอ่ะ ฉะนั้นอย่าตำหนิเราต้องพอใจที่เราเพราะเป้าหมายของเราคืออาคือเรอาไม่ใช่ดุญยานะ่ะดุญยาก็แค่ทางผ่านเท่านั้นเองมีเงินแค่นี้อัลฮัมดุลิลลาฮ์สบายใจทำเงิน ม, มีมากก็บริจาคเยอะหน่อยไม่มีก็สบาดอดทนแบบอบูฮุรอยเราเราจะยลล้ออันนุบวชถามว่าบวชทำไมอ่ะวันนี้ไ ม, ม, ม่มีอาหารกินก็บวช <c oughs> เขาไม่มีปัญหาเห็ังครับชชีวิตอยู่ เอาอัลลากานอิสลามกาใช่นี่ฮามจุลิลาวยาอัลลมัลลีนายูจัดิลูนาฟิอายาตินาและคราวเรือแตกหรือว่ามีปัญหาเดือร้อนมีมุเตอร์ไซค์อย่างเมียมัดไม่สบายวันบอกกับผมจะขอดอาให้หน่อยลมในห้องน้ำคุถามว่าหาเข้ า, ขาห้องน้ำอ่ะเข้าเป็นหรือเปล่า ก่อนเข้าห้องน้ำต้องต้องอ่านดูาก่อนเข้าห้องน้ำโดยเท้าอะไรเท้าซ้ายอย่าลืมดูอาแล้วก็มีหลายคนตาในห้องน้ำพอเราทิ้งสุนนะนบีนึกว่าสุนนะนบีเรื่องนามาดคิดเรื่องนามาดคิดเรื่องใจกลางกแต่ไม่ได้คิดแตเรื่องเข้าห้องน้ำสุนนะนบีสอเนี่ย ของเล็กๆในน้อยเนี่ยดูถูกไม่ได้เลยอ่ะมันทำให้เรามีบรารการในชีวิตของเราจากนั้นข้าวห้องน้ำโดยเท้าซ้ายก่อนข้าวอ่านด้วยถ้าจะตายในห้องน้ำอลัลลอฮ์กำหนดมาครับอย่างนี้เป็นต้นครับวายัลละมาลลัฎีนยูจัดิลูนฟีอ้ายตินามาเลห์มิมมาหิ มหายิสนี่แปลว่าหลบหนีคนที่โตแยงกับอัลลอ์คนที่ทำอะไรผิดๆเอาไว้บนโลกดุนยาใบนี้แล้วก็ไม่ยอมกลับตัวนะเอ้งหนีการลงโทษของอัลลอ์ไม่รอดสบายไหมฉะนั้นตาวาตัวสำคัญที่สุดตาวาตัวสำคัญที่สุดไอตัวอิมานตัวช่วให้เราตาวาตัวนะตัวลงว่าหนีรอดไม่รอด มาแล้วหุมมหิษมาหิษแปลวะ่าหลบหนีผู้หลบหนีให้รอดรอดได้ไหมมาแล้วหุมหลบหนีไม่รอดในวันเกียรม่างก็หลบหนีไม่รอดบนดุนยาก็หลบหนีไม่รอดนี่อย่าลืมนะเมาลัยกาณ์นะมาเอาวิญญาณเรานะ่ะมายืดที่ปากประตูวันละห้าครั้งนะ่ะนี่อันจากฮะดีษนะครับบานนี้อยู่กันแปดคน มลายิก่าว่าอ่าอยู่ไปอัลลอฮฺยังไม่จะสั่งให้เอาวิญญาณนยอยู่แปดคนนะและเอธิขนาดนี้ในอิสลามหมานยังไงขนายดยั乌ดีอะทุกเวลานมาดเนี่ยมลายิกาจะมายืนอยู่ที่ปากประตูบ้านที่หน้าต่างบ้านบ้านนี้มีอยู่เก้าคนสิบคนหรือสี่คนอัลลอฮฺยังไม่สั่งให้เอาวิญญาณพวกคุณอยู่ไปก่อนที่ท่านนึกตรงนี้ยัง จะท่านอยู่บ้านๆอยู่บ้านมันจจะฟังเพลงอ่ะจะเล่นดนตรีเปิดดนตรีพสิครุณล่อยอะๆคุยกันดีๆยิ้มยิ้มกันให้อภัยกันผงอาหารแล้วกดชมกันอะไรกันเอาของดีมาใช้ในชีวิตประจำวันอต่อมาครับต่อมากับอายาเท่าไหร่นะ อันเกิดนั้นในคำว่ายูยาดิลนี่นะมีในคุณอ่า น, นในในในสุรอก์อื่นอีกเข้าคนที่ชอบโตเถียงสัญญาของอัลลอ์เนี่ยชอบเถียงอัลลอ์เนี่ยนะก็คือคนกาเฟนะครับ <c oughs> แล้วก็อัลลอ์สั่งนะคนมุมินเห็นคนกาเฟตค้าขายเปิดรงรูปเปิดร้านค้าขายแล้วเขาไม่เอาศาสนากันเนี่ยเขามีเงินมีทองมีรถอย่าหลงตามเขานะ อย่าไปเดินหลงตามคนกาฟเฟทที่เขามีธุรกิจการค้าทำนู่นทำนี้เขาไม่เอาศาสนาเอาลอให้เขาเจริญด้านวัตถุด้านเดียวนะอย่าไปหลงตามเขาแต่นี้เปลี่ยนต้แต่นั่นต้องนึกถึงซุ น, น, นา่านบีนึกถึงสหฮาบานาบีว่าเขาอยู่ยังไงนะครับถึงอัลลอฮ์ได้พอใจเขานะครับให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูต่างด้ เอาต่อมาครับอายที่สามสิบหกฟามาอูติตุมินไซอิมฟามาตาอุลฮัยติดุนยาวะมะอินดัลลอฮีขัยรวะอบกา ลั و ลัَนั ل َอَมณูและรับบิมยตวกลูอัลลอฮฺประกายในดีมัก م ِّม شَيْءٍ فَمَتَاعُ ا ل ْ ح َ ي َ ا h ِ الدُّنْيَا و َ ا عند الله َِّ خير َ وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون โอ้อายะนี้พูดเรื่องริสกีที่พวกคุณได้เนี่ยริกีชัวคราวนะอ่า <ون> <laughs> <laughs> สุขภาพแข็งแรงริสกีชั่วคราวบ้านริสกีชั่วคราวภรรยาริสกีชั่วคราวลูกริสกีชั่วคราวเงินริสกีชั่วคราวสุขภาพแข็งแรงริสกีชั่วคราวเพื่อนฟูมริสกีชั่วคราวนามาธิสกีถาวอารอ่านกุรานริสกีถาวรบริจาคเงินริสกีถาวรจิกรุณละริสกีถาวรขอดูอาริสกีทาวร ทำดีกับพ่อแม่เอาเงินไปภรรยาใชา้เป็นริสกีถาวรให้อภัยคนเป็นริสกีถาวรต้องแยกให้ออกนี่อรลอยเล้าหรือริสกีไม่ถาวรนะฟามาฟามาอูตีตุ่มอูตีแปลว่าถูกประทานให้ที่สูเจ้าได้รับเนี่ยไม่เห็นห น, ะนะอัลลอด์สร้างนะ ทุนได้รับมานะไม่ใช่มาเองอูตีตุมอะไรก็ตามที่สูเจ้าได้รับมาไม่ใช่มาเองนะนี่ผู้ให้ใช่ไหมอัลลออะไรที่สูเจ้าได้รับมาอะไรที่สูเจ้าถูกประทานให้เนี่ยสุขภาพแข็งแรงเงินตาบ้านช่องที่ดินรถตำแหน่งความรู้ความสามารถเนี่ยเอาล้อให้มาทั้งหมดนะมินชัยิน สินหนึ่งสินใดก็ตามคิดให้หมดต้องใช้ปัญญาแล้วโอ้อลองให้อลอให้อลองให้อลองให้ฟัาามาตาอุลหายาติ ด, ดุนยาปตาต mata แปลว่าปัจจัยอุลหายาแปลว่าชีวิตดุนยาโลกดุนยาใบนี้ปัจจัยของโลกดุนยาใบนี้วงเล็บ เป็นปัจจัยดุนยาชั่วคราวทั้งหมดหมดอายุหมดอย่าหลงเงินอย่าไปหลงมีไหมมีได้ตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศภรรยาลูกเต่าทั้งหมดนี่อัลลอฮให้มาทหมดหมดอายุครับนี่อัลลอฮเตือนนะฟามาอูตีตุ ม, มินไซอิมฟามาต์อุลฮัยติ ด, ดุนยาและสิ่งใดที่สู่เจ้าได้รับ เป็นเพียงปัจจัยดีใจรื่นเริงชั่วคราวแห่งชีวิตโลกนี้เท่านั้นสบายใจไหมให้คุณมีชีวิตอยู่แบบมีความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองผมนะขอบคุณนอลลอนนะทุกครั้งที่มาสุราลต้องเดินผ่านกูโบนึกกูโบก่อน อ, อ๋อ ท่ำเนอร์ลีล่ะไปนองกับท่ำเนอร์ลีล่ะเวลาเจอปัญหารางเกายจี้เครื่องบินกันใช่ไหมเครื่องบินตกก็ดีอะไรก็ดีเราอ่านดูอาบทไหนก็อัลฮัมดุลิลลาฮิลลัติอาฟานีมิมมาเบตลักบิฮิฟัตดัลนิอัลลาคาสิริมิมมันขัลลัคตับดิลลา เวลาเราบปเยี่ยมญาติพี่น้องเราที่โรงพยาบาลเขาเล่าว่าเนี่ยเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายเราอยากเป็นไหมล่ะถ้าไม่อยากเป็นอ่านดูอาเวลาอ่านยาอ่านในคดังๆอะไเขาคดีเูาเสียใจมลอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮิอัานีขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทดสอบเขา الحمد لله الذي ด ا ف ล ن ي مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الله จะไม่ให้เหตุการณ์ชนิดเดียวกันพบกับเราเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมีผินไทยคนหนึ่งเดินทางจากบอมเบย์ไปไหนอะไปประเทศแอฟริกาถูกจี้เครื่องบินถูกจี้ แล้วก็เครื่องบินก็ตกนะนะลุจจอดกลางทะเลตายไปร้อยกว่าคนที่เหลือประมาณสามสี่สิบคนในคนไทยอยู่คนนึงผมฟังเขาสัมภาษณ์เี่ยไม่ได้เอ่ยคํำว่าอัลลอฮ์สักคำไม่ได้เอ่ยคําว่าพระเจ้าไม่ไเอ่ยเลยเรานั่งฟังโอ้โหฉะนั้นคล้ายก็าตามถ้าไป็นนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ว่าอะไรโอเคอยู่ไปเอะอยู่ไปอยู่ไป พอความตายมาถึงก็หอยจะสมนึกฉะนั้นวามาอูตีตุมมินชชยอมฟามาตาอุลยหติดยุนยาและสิ่งใดที่สู่เจ้าได้รับนั้นเป็นเพียงปัจจัยความสุขชั่วคราวแห่งชีวิตโลกนี้เท่านั้นเห็นยไหมมีได้ไหมได้แต่มีเพื่อทำงานาศาสนามีพละกกำลังแข็งแรงมีเงิน อยู 20, 20, 000, 200, 000. ่หม well, ื thirst, ่นสองหมื่นแสนสองแสนเอามาคิดเรื่องศาสนาซะมีพี่น้องให้เข้าใจศาสนานึ้อเพือศาสนาก่อนนำหน้าอัลลอฮฺอฮัมดุลิลละอัตอมาครับว่ามนดัลลอฮิคอยและที่อยู่กับอัลลอ์นั้นค่ายรุนดีกว่าว่าอาบกอมีอายุไม่หมดอายุคือจีรังไม่มีวันหมดอายุของที่อยู่กับอัลลอ์เนี่ย คอยรุนดีกว่าแล้วก็อยู่ไปตลอดเป็นมีหมดอายุนี่สอนเตือนเราอ่ะอย่าหลงปัจจัยดุนยาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลืมอามันที่สอนแล้วที่ท่านนาบีให้รูปแบบเอาไว้อาคุยนิดนึงฟาโรมีอะไรนะมีปราสาทใช่ไหมมีพระราชวังใช่ไหม มีทหารรักษาพระองค์ประมาณสามหมื่นห้าพันกว่าคนรอดหรือไม่รอดกอรนะูมีเงินมหาเศรษฐียิ่งใหญ่มากเฉพาะกุญแจไขค้งอย่างเดียวนะ่ะคนคนแบบประมาณสิบกว่าคนในคุณอ่านอธิบายาไวนะ้น่ะรอดไหมเห็นยังฮามานเป็นข้าราชการชั้นหนึ่งเลยนะรอดหรือไม่รอด ไม่รอดนี่ยอลัลลอฮุลเลานะพีกันสามคนเอ่ยชื่อด้วยนะกอรูนฮามานฟิเรนแล้วก็ทั่วโลกไม่มีใครตั้งชื่อลูกแบบนี้ด้วยนะเพราะกลัวกันหมดอ่ตั้งชื่อโมหัตในเยอะเห็นยังครับไม่มีใครกล้าตั้งชื่อกอรูนฟิเรนฮามานเพราะก็กลัวนะ่พราคกูอ่านอธิบายเอาไว้ท่านทั้งหมดนี่เป็นปัจจัยดุลยาทั้งหมดอย่าหลม อามาดูไซนาบ tunes, achts, ิลารอเดียลลอฮ์อันุนบีขึ้นมียรอดบานีพูดใหม่นะหลายเที่ยวเลยนะอัลลอฮ์ให้ยิบรีนพาอบีเข้าไปในสวรรค์พอเข้าไปในสวรรค์ไซนาบิลานเดินอยู่ข้างหน้านบีนบีเห็นจําได้พอลงมาจากเมรอดก็เธอถามไซนาบิลานเขาอะไรเข้าสวรรค์ก่อนฉันเองท่านก็ตอบว่าชันชั้นหนึ่งชั้นี่มารต่ออัลลอฮ์ สทุกครั้งที่ฉันน้ำนำมาสดหมดฉันจะอาบน้นํานมาสสดแล้วก็นมาสสองแล้วก็อัดในการให้เกียร์กับนางวุตรเพราะฉันก็อาจารย์เห็นไหมอามันจะซ้อแล้วบ้านไม่มีเมียไม่ ม, ม, ม, มีอยู่เพิงน บ, บีต่อเพิงให้ขอบครัวใหญ่ไม่มีรถไม่มีที่ดินสักตารางวานึงก็ไม่มีจะได้ไปสวรรค์วันนี้เราหลงอะไรเลยพี่น้อง นี่คุยให้คิดนะครับเอาประวัติในจา ก, กุรอ่านมาอธิบายห้กว่าตกลงว่าปัจจัยดุญยาเนียมีได้ไหมมีได้แต่อย่าหลงไอ้คนที่หลงเนี่ยไม่รอดสักคนหนึ่งนะอัลลอฮฺแต่ที่อยู่กับอัลลอฮนั้น คอยรุ่นดีกว่าว่าอับกอแปลว่าจีรังกว่าคืออยู่แล้วไม่หมดอายุพาติดตัวไปใช้ได้ในโลกอาคิรออยู่ในกูโบก็ช่วยได้ครับน้ำมาช่วยได้อัานกุงอ่านช่วยได้แต่ฮัตยุทธช่วยได้ซิกุลล์ช่วยได้ขออุอาช่วยได้เนี่ยเอาไปช่วยเราในกุโบได้ฟื้นขึ้นมาในทุ่งมาชัดอีกอัลลอฮอักบัฮฺสง่างามเลยเอาต่อมาครับ ลَลลั้นั้นอัมโนว่าลารับบิมยตวัคคุลว่าก็ส่ ل นที่สองนี้ดิลัลลัَนَ้นอัมโนว่าลารับบิมยตวัคคุลลัลลั้นั้นสำหรับผู้ที่อีมาน นี่เป็นอัลลอฮ์เล่านะคนที่เป็นมุมินมีสิทัต์ดังต่อไปนี้มุมินจะมีสิทัต์แบบกรูนได้ไหมมุมินจะมีสิทัต์แบบฮามานได้ไหมไม่ได้จะมีสิทติ์แบบฟิรจนได้ไหมไม่ได้เอาสิทติ์นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันลินลาดีนอามานุสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอ คำว่าศรัทธาต้องห้าข้อหกข้อสิใช่ไหมอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรุอ่อน อ, อ, อีมานต่อมาลายกาอิมานต่อคัมพีรอีมานต่อวันอาคือรอตายแล้วต้องฟื้นกดกรดอกระดัอลอัลลอฮ์ใครรวยใครจนใครเจ็บไขรได้ป่วยวนเนี่ยอลัลลอฮ์จัดให้ทั้งหมดเนี่ยแต่แต่งงานมันแตแต่งงานเราจัดให้หมดเนี่ยอีมานเรื่องหนึ่งข้อที่หนึ่งคนที่มีอีมาน วาลาโรบิหิมยะตะวะกาลุนพวกเขาทั้งหลายตะวักกุลก่อนแปลว่านะมอบหมายตนหรือไว้วางใจในพระผู้อภิบาลของเขานี่เรื่องแรกครับคนมุสลิมต้องไว้ใจในอัลลอฮ์เรื่องการบริจาคนี่คนกลัวมากาเพราะเสตอนมันขู่เอ็งอย่าบริจาคเยอะนะ แต่ทำให้คุณจนใช้ตอนขู่กลัวไหมกลัวที่เอาล่อสัญญานั่งเฉยที่ใช้ตอนขู่ขู่ในใจนะมันกระสึกกระซิมันมันมที่กับมากันในในรูปในรูปเพื่อนมากเชื่อที่อนัลกุรอานเนี่ยสงสัยว่จริงหรือเปล่าวะท่านอบุบักเนี่ยบริจาคหมดตัว น บ, บีถามเลยเหลืออะไรที่บ้านเหลืออัลลอฮ์ละลาซฮิเห้ยยังครับแล้วริสกีที่ที่ผ่านท่านอบูบักเนะ่ยอ่านจากฮัตตนะินั้นบงที่ขนลุกอนะ่ะอาหารในหม้อเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ่ะอาหารในจานเนะ่ยเพิ่มขึ้นอนะ่ะเพราะทานไปคำหนึ่งเพิ่มมาอีกอนะ่ะตาข้ามาเพิ่มอกีกเอาไปแจกบ้านใครบ้านนั้นก็เพิ่มอีกอนะ่ะอาหารจากบ้านจาก บ, าบ้านท่านอบูบักนะ นี่ยเราเล่ให้เห็นนะนี่เขาเรียกนะไรเนี่ยเป็นเมื่อเมื่อมืออันดีสาดชนิดหนึ่งนะที่อราเล่าให้เห็นนะเพื่อให้รู้ว่าเอ็เดินตามนาบีน่ะอลัลลอฮ์จะให้บรารการกับชีวิตอย่างนี้เรื่องบริจาคไม่มีใครให้ใครยากจนลำบากไม่มีครับบริจากเพืเอ่ออัลลอฮ์จะให้ววนาฬิกาอะไรไม่มีเงินก็ บ, บริจาคยิม้มะชักคนก่อนก็ได้ชักเด็กก่อนได้ไหมนีอ่อิสลามสอนที่ว่าอย่อาอันดีดีนะอัตมักับ ว่าละรบบิฮิมยาตะวักกะลูและพวกเขานั้นมอบความไว้วางใจให้กับอัลลอ์ทั้งหมดเล่านิดหนึง่งนบีนอนอยู่ที่บ้านลูกสาวนาบีมาชื่อฟาติมากับไซนาอลีมาเยี่ยมพ่อเพื่อจะมาขอพ่อนัลีทำสงครามแล้วก็ชนะสงครามมาใช่ไหมได้ ฉเฉลยศึกมาเยอะบอกว่าพ่อจ๋นานบีจ๋ายกมือให้นบีดูมือแข็งหมดแล้วนวดแป่งซักเสือ้อทำนูน่ทนทำนี้คนในครอบครัวหมดเลยขอคนชายสักคนหนึ่งมาช่วยงานที่บ้านนาบีตอบไงรู้ไ้ยฉันจะให้ของที่ดีกว่าลูกเอาไหมเอาสิอันนี้ก็หูพึงเิ ที่นายได้ให้ของที่ดีกว่า ons, วกนนับ un, ให้อย่างนี้ก่อนนอนก่อนนอนให้อ่านอุลฮฺอัลลอฮฺฮัลลอฮฮัลลอฮฮัลลอฮฮัลลอฮฮัลลอฮสาสบสามครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์สาสิบสามครั้งอัลลอฮฺวักบัดอีสาสบสามครั้งเห็นยังครับลูกมาขอดุ n y นบีให้ว่าไม่ให้กลับให้อาคระโรนี่ฟาติมากับไซนาลีเดินกลับบ้านไปคุยกับสองคนว่าเราเนี่ยมาขอดุนยากับพ่อนหรเสร็จแล้วพ่อไม่ให้พ่อให้อะไรไปแทนนะให้อาคระโรให้สุภาณละลายทำเลยแล้วปรากฏว่าวันละก็อธิบายต่อนะผู้หญิงคนใดหรือพ่อคนใดที่อยู่ที่บ้านก่อนนอนทําอย่างนี้ทุกคืนหนึ่งแปลงฟันก่อนอาบน้นําน้ำมาดก่อน นะครับแล้วก็ยกมือขึ้นเปล่าก่อนแล้วก็ลูบทั้งศิศษะเนี่ยอ่านสามกุ้นก่อนนะอันอัยะครูซีแล้วก็ตามเดยวสุภาอนลอ่อก่อนจะนอนให้เอามือขวาจับแก้มขวาอันบิสมิลลอหฮุมมาอามูธุอัหยะอัลลอฮจะให้ร่างกายแข็งแรงเห็นไหมเห็นยังนี้เบื้องหลังของการปฏิบัติตามสุนนะนบี ให้ร่างกายแข็งแรงจัดสุภาษณ์อรกอย่าทำลยลลาเนี่ยฉะนั้นหลังน้ำมานเนี่ยอ ย, อย่าเพิ่งทรวดออกจากมัสยิดก่อนนอนก็มันกันเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นหมอนทวดเลยนอนเลยอ่านใจเย็นๆก่อนไปแปลงฟันก่อนไปอาบน้ำน้ำมานก่อนไปอ่านอะไรเงี้ยสามกุ้นก่อนใช่ไมยกมือขึ้นเป่ารุนเป่านี่ตามที่ท่านอับดุล ทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงเรานึกไม่ถึงอ่ะนึกว่าต้องเดินสุนัขหลวงหรอ ก, ก้าวอย่างเดียวถึงจะแข็งแรงใครบอกกูเดินตามสุนนานบนีร่างกายแข็งแรงทำเลยเลยแล้วเดินนี่มันจริงน่ะบางคนประกาศสุน้านาบีห้ามเข้าบ้านฉันโอ้โหละที่สุราษฎประกาศย่างไงบางแห่งนะนะครับเออลิลลัลีนาอมานูสําหรับผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah ว่อาเดรอบิห <speaking> ิมยะตะวัคลูนพวกเขาไว้วางใจในพระผู้อภิบาลของเขานี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองวันลาดีนายาจานีบูนาคาบาอิรลิสมาวัลฟาวาหิชว่าอีดะมะวะดับูฮุมยัฟฟิรูน والذين يجتنبون كباير الاسم والفواحش وإذا ما غضب غ, ب, غ ب و ه م يغفرون ใช่เป่าใช่ดี وإذا ما غضب هم يغفرون นี่ดีมากแต่ทำยาก แต่คนที่ทําในอดีตมี้ไหมทํามาแล้วนบีทาเป็นตัวอย่างก่อนสิฟัตที่สองลักษณะที่สองของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เรื่องที่หนึ่งมอบชีวิตของเราไว้กับอัลลอฮ์เรื่องที่สองญาจตานีบูนแปลว่าละทิง้งอิจตานะบะญาจตานีบูนแปลว่าออกห่างหรือละทิง้งหรือป้องกันตนเอง ยาจจะตันดีบุลออกห่างหรือละทิง้งหรือป้องกันตนเองจากอะไรครับกาบาอิสมาจากกบีรุนแปลว่าใหญ่อัลอิสมุบาบออกห่างจากบาปใหญ่ๆเป็นมุมินออกห่างจากบาปใหญ่บาปใหญ่มีทั้งหมดร้อยกว่ารายการมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่ง รอเขียนไว้ดีเรื่องบาปใหญ่หมดเลยอ่ะด่าพ่อแม่บาปใหญ่ทะเลาะกับพ่อแม่บาปใหญ่ทะเลาะกับพี่น้องตัวเองบาปใหญ่กินดอกเบีย้ยบาปใหญ่รับเงินในอะไรเนี่ยข้าราชการอะไรที่เขาเลือกตั้งกันน่นเนี่ยอะไรนะประชาชาติเนี่ยรับบินขามาบาปใหญ่ทั้งหมดอ่ะหมดเลยอ่ะบาปใหญ่นี่มีเป็นรอยอะ ออกห่างให้หมดไปน้องเพราะออกห่างบาปใหญ่และบาปเล็กจะเหลือก็ก่อยไ ป, ไปหมดเลยจะตั้งสิณลักที่สองของผู้ศรัทธาตัวทั่วโลกนะครับอ่านุณอานอันนญญี้เตือนกัเรอเตือนนะออกห่างหรือว่าละทิ้งปกก้อนตอนเองให้พ้นจากบาปใหญ่ทุกชนิดเรื่องที่สาม وإذا เอ วัลฟวาว่าให้แปลวา่าเรื่องลามกเรื่องลามกเนี่ยมาถึงเรื่องเรื่องจีนานะนี่ตาเราเนี่ยต้องต้องระวังด้วยจ้องกุอานาเนี่ยทำให้สายตาดีจะเป็นในกุอาจเป็นเล่มหรือนายอะไรนะนมือถือก็ไาดา้จ้องนี่นะทำให้สายตาดี จ้องดูของเขียวๆเช่นน้ําทะเลทําให้สายตาดีดูเนี่ยตน้นไมตน้นไม้เนี่ยเดี๋ยวร้องไห้มาริมบ้านเราเนี่ยทําให้สายตาเราดีถ้าจ้องมองผู้หญิงอย่างระวังถ้าจ้องเมียเราลูกสาวเรามันมีปัญหาถ้าจ้องผู้หญิงคนอื่นนะ่ะระวังจ้องใบตุลล้ออ่าดูใบตุลล้อทําให้สายตาดี ดูอัลกุรอานสายตาดีดูต้นไม้เขียวๆดูท้องฟ้าสายตาดีครับดูหน้าผู้หญิงคุณอื่นดอย่งระวังเขาให้มองได้กี่ครั้งกี่ครั้งนะครั้งเดียวบางคนก็นมองน้าเลยอลอยเฮ้ยเขาสากงให้มองครั้งเดียวพอผ่านสายตาวรู้เลยไม่ใช่คนบันดาลก็พอแล้วสิ จ้องแล้วจองอีกโอ้อักันนี่ทาไม่เรียกศาสนาเลยนึกว่าเป็นไรนะกํำไรชีวิตใครบอกรบ <c oughs> เราเราส่งมาทดสอบทั้งหมดนะั่นแหละครับเรื่องลามมกทุกชนิดออกหา่างนะครับบาปใหญ่ทุกชนิดออกหา่างกนหมดเรื่องที่สามว่าอิรามากอดีบูอิราแปลว่าเมื่อกอดีบูเขาโกรธ ทุกโกรธไหมนีสายโกรธมีไหมมีครับใจร้อนด้วยโกรธ ด, ด้วยมโมโหเก่งด้วยเอาชนะด้วยกูไม่ยอมมึงอ่ะมึงใครอ่ะอย่างนี้เป็ดดนต้นไม่ยอมกับเมียก็ไม่ยอมลูกก็ไม่ยอมกูต้องเด่นกูต้องชนะตลอดนะเตือนวัยรุ่นามารอดีบูเมื่อเวลาเขาโกรธหุ้มยากฟิรูนพวกเขาอาภายัยสบายใจไหม อาภัยไม่เอาเรื่อง อ, อัลลออักบัแบบใครแบบนบี ม, มุฮัมมัดไปที่เมืองตออีฟถูกขว้าใช่ไหมถูกด่าถูกไล่นบี ว, ว่าไงฉันไม่เอาเรื่องครับฉันให้อาภัย อ, อัลลอฮฺอักบัดตัก็มีสามสิ่งตใหญ่ๆสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอข้อที่หนึ่งวาลาอบบีฮิมยัตวักกลูนข้อที่สองวันละดีนายจตัดดบูนกบายะลอิสมาวัลฟวฮิ ออกห่างหรือทิ้งบาปใหญ่ทุกชนิดแล้วก็เรื่องลามกต่างๆนะครับข้อที่สามวีรามาวดิบูหุ่มยักฟิรูและเมื่อเวลาเขาโกรธมีคนทำให้เราโกรธมีไหมมีก็าทำไงครับสมัยก่อนลรวก็ด่าตอบเลยใช่ั้ยล่ะเสียงดังทั้งซอยเลยนะเพราะความใจเห็นนะเพราะความไม่รู้ว่ เดี๋ยวนี้ัมดีละก็ฟังศัสนาก็เบาผมก็เห็นใครคนเอาอมิดดาบวิ่งฆ่าคนไอ้มันจะถืออบราฮิมปฐุม้อนใช่หรถูกฟันเยยน่ยยูนาบันผพมดเลยเห็นหมดแล้วแล้วก็เห็นโอโหอธิบายกรุงอ่านเข้าใจง่ายทำดีแล้วท <c oughs> ่านเมื่อเวลาโกรธทำไงครับยาโคฟีรูนให้อาภาัย นึกก่อนให้อภัยภรรยาก่อนอภัยลูกก่อนแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกใจแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้มาตาอ ด, ดุลย์ญาอธิบายอย่างนี้เรื่องปัจจัยดุลยาทุกชนิดที่เอาล่อให้มาเนี่ยต้องนึกนะเป็นปัจจัยชั่วคราวไม่ใช่เอาล่อรักนะให้เพื่อการทดสอบทั้งหมดให้เงินก็ดีเพื่อการทดสอบให้สุขภาพแข็งแรงเพืการทดสอบเอากลับเมื่อไรได้ไหมได้ตลอดเวลานะครับ ทีนี้คนที่มี إ ي م านอย่างมะสุขที่แล้วผมอ่านคุณที่บ้านใช่ไหมขอทวนสักครั้งหนึ่นะใครที่แบ่งปันให้คนอื่นใช้มีเงินมีทองก็บแบ่งคนอื่นก็ใช่หรือว่าหยอดตู้มัสยิดเนี่ยแสดงคุณมี إ ي م านเรื่องที่สองคุณยอมรับบนตัวเองเนี่ยมีความผิดฉันจะกับกลับตัวจ้า นี่คุณมีอ ي มานเรื่องที่สามขาจัดตะก บ, บุญเย่อหยิ่งจองหองมีด้วยกันในใจทุกคนนั่นแหละใช่ไหมมีไหมขจัดออกซะแสดงว่าคนนี้เป็นคนที่มีอ ي มานแล้วก็ข้อที่สี่ข้อที่ห้าเริ่มไม่สนุกกับการนินทาคนว่าคนตำหนิคนด่าคนเมื่อก่อนนี่ นินทาคนนั้นนินทาคนนี้ว่าคนนั้นว่าคนนี้แต่วันนี้มแมวละเลิกแล้วเนี่ยคนนี้เป็นคนที่มีมีอิมานข้อที่หกนะครับพี่น้องขวงแหนเวลาเมื่อก่อนนั่นนงคุยสาสี่ชั่วโมงสบายเลยเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเว้ย น, นั่งนินทาคนเรื่องอะไรนั่งฟังนั่งคุยเรื่องไรสาระเอาเวลาเนี่ยไป ไปนมาดีกว่านมาดูฮานี่นมาดอ่านคู ร, อร์อ่านดีกว่าถ้าคิดแบบนี้นะคนนี้เป็นคนที่มีมี إيمان แล้วเริ่มมี إ ي م านแล้วแล้วก็ข้อที่8ปนะครับให้อาภัยกับคนที่ด่าเราตําหนี่เราโอ้นี่เป็นคนที่มี إ ي م านแล้วก็อ่านกูรอาร่านนีอ่านสองอย่างนะอ่านกูร์อ่นอานแบบผ่า น, นมันจบกับอ่านกูรอ่านแบบตัดคำพูดแบบพิจารณาอันนี้มีมี إيمان อ, อาจายนี้รอดากูรเปล่าวะโอ้โหดิด่าเราตรงๆเลยเนี่ยเห็น ไ, ไหมอ่านกูอานแบบนั้นแบบตะดับบุญแบบพิจารณานะครับแล้วก็ข้อที่1ิบทุกครั้งได้ยินเสการฟังรอฟังเสียงอาจารย์เป็นสุนารนะดีข้อหนึ่งอยู่ที่บ้านเอ๊ะทำไมสุราไม่อาจารย์แต่สุราเราดีกอาจารย์แปลกเลยนะ บทีได้เวลาไม่อาจารย์หอกเลยไปเล่าสิบนาทีหนาทีไอ้ผมน่ะฟังเสียงอาจารย์น่ะแล้วก็เตรียมตัวมาถ้าทำไ ม, ไม่ไม่ทันก็เยอะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนี่เล่าไปฟังแะนั่นการฟังเสียงอาจารเป็นศาสนาการนึกนมา ก, กับยะมะเป็นศาสนาเพราะนาบีทําเป็นแบบไว้นมาที่บ้านคนเดียวนะ่ะอ่านจาริกดิสแล้วนะ่ะนมาซ้อแต่อล่อเอาโทษเอง <c oughs> นอกจากป่วยฝนตกแล้วก็กลัวลกลัวโรคโควิดเดี๋ยก็ไม่ต้องมาก็ได้นะแล้วก็นบีพูดไปกลัวม่นด้ไม่ได้พูดว่าโรคอะไรนะกลัวอะไรนะฝนตกป่วยกลัวไม่ต้องมานมากราบจมาอัลมัสติมาบาร์ลากรับศุบกานัลลอฮุมาวะบิัมดีกะุอิลาอิลลาอันตอัสตัคุกะวะตุบะ